บทที่ห1เดใช้หนี้เต่าอย่าไปอยากได้สิ่งที่ไม่ใช่ของเราท่านพระครูพูดขึ้นด้วยรู้ว่าในหลอ ก, กําลังคิดอะไรอยู่และทำไมหลวงพ่อไม่ให้เจ้าของเข้าไปเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปละครับเก็บของคนอื่นเอาไว้ผมว่าไม่ค่อยดีนักเกิดมันสูญหายไปหลวงพ่อจะเดือดร้อนเปล่าๆให้เจ้าของเข้าไปเถอะครับเขาเสนอแนะ ยังไม่ถึงเวลาต้องรอให้ถึงเวลาเสียก่อนจึงค่อยให้คำตอบของท่านพระครูทำให้ในหล่อคิดไปถึงเด็กชายคู่แฝดที่เชาบ้านร้านถิ่นเอาไปลือกันว่าเป็นลูกของท่านที่เกิดจากแม่ชีแม้เขาไม่เชื่อเพราะคุณเคยใกล้ชิดกับท่านมานานหากก็อยากจะรู้ว่าท่านเก็บของสองสิ่งนี้ไว้ให้เด็กสองคนนั่นหรือไม่ ยังไม่ทันถามท่านก็ชิงตอบว่าเจ้าแดงกับเจ้าขาวก็ไม่ใช่เจ้าของข้าไม่ให้มันรอเจ้าสองคนเนี่ยมันคงจะเป็นคู่เวรคู่กรรมของข้าเพราะตั้งแต่ข้าเก็บมันมาเลี้ยงก็ถูกนินทาว่าร้ายมาโดยตลอดหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดยังเชื่อว่าเด็กสองคนนี้เป็นลูกข้าท่านผู้เสียงปกติไม่รู้สึกโกรธขึ้น แค้นเคืองแต่ประการใดเขาว่าปากคนมันยาวกว่าปากกานะครับหลวงพ่อแต่พูดก็พูดเถอะผมรู้จักคุ้นเคยกับหลวงพ่อมานานบางครั้งก็ยังควยเควเวลามีคนพูดถึงหลวงพ่อในทางลบผมถึงเข้าใจคนอื่นๆที่เขาไม่รู้จักหลวงพ่อดีเท่าผมเลยเชื่อว่าหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นจริง นี่แหละที่ท่านสุนทรผู้สอนว่าเสาศิลาแปดอกตอกเป็นหลักถูกคนผลักบ่อยเข้าเสายังไหวหลวงพ่ออย่าไปโกรธเจ้าคณะจังหวัดเลยนะครับข้าจะไปโกรธท่านทำไมในเมื่อท่านก็เปรียบเหมือนครูบาอาจารย์ข้องค่าถึงคนที่ใส่ร้ายป้ายสีค่าข้าก็ไม่โกรธเพราะมันเป็นธรรมดาของโลก พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าคนที่พูดมากก็ถูกนินทาคนพูดแต่พอดีก็ถูกนินทาคนไม่พูดเลยก็ยังถูกนินทาเพราะฉะนั้นคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปโกรธคนที่นินทาเราทำไมเสียเวลาทำมาหากินเ ป, ปล่าๆจริงไหมจริงครับเพราะเขาไม่ได้มาหาให้เรากินเขานินทาเรา เราก็กินข้าวบ้านเราเขาก็กินข้าวบ้านเขาไม่เห็นว่าใครจะมาหาให้กินแล้วก็ไม่รู้จะนินทากันไปทำไมโลกมนุษย์นี่มันยุ่งจังนะครับหลวงพ่อมีแต่นินทาว่าร้ายอิจฉาริษยากันไม่พักเพราะเหตุนี้แหละข้าถึงไม่ปรารถนาจะเกิดเป็นมนุษย์อีกข้าตั้งใจแล้วว่าจะชดใช้กรรมในโลกมนุษย์ให้หมดหมดไปเสีย ชาติหน้าข้าจะได้ไม่มาเกิดอีกแล้วพอกันทีโลกมนุษย์ที่สุดจะน่าเบื่อและหลวงพ่อจะไปเกิดโลกไหนล่ะครับถามทำไมก็ผมอยากรู้นี่ครับอยากรู้ไปทำไมผมจะได้ติดสอยให้ตามไปปรนิบัติวัฏถากนะครับแล้วแม่ประยงเขาจะยอมอนุญาตหรือท่านเริ่มยั่ว ผมก็พาแม่ประยงไปด้วยถ้าลำบากนักก็อย่าไปเลยเพราะถ้าเองจะพาแม่ประยงไปด้วยก็ต้องพาแม่ยายพ่อตาพี่น้องลูกหลานกระโตงกระเตงไปหมดอย่าไปเลยนักค่ะขอร้องถ้าเช่นนั้นผมก็ขอเอาตัวรอดแต่ผู้เดียวคือผมจะไปคนเดียวไม่หอบสัมภาระไปด้วยถ้าแบบนี้หลวงพ่ออนุญาตไหมครับ ข้าขอคิดดูก่อนงั้นหลวงพ่อช่วยตอบคำถามผมหน่อยคือผมอยากรู้ว่าใครเป็นเจ้าของพระสมเด็จสององค์กับลูกประคำเก้าสีที่อยู่ในย่ามเนี้ยสามีแม่ประยงกลับมาพูดเรื่องเดิม บอกไม่ได้เพราะยังไม่ถึงเวลาแต่ที่บอกได้คือรับรองว่าไม่ใช่เองแล้วก็ไม่ใช่เจ้าขาวกับเจ้าแดงด้วยขณะนั้นฝนเริ่มตกลงเม็ดปล่อยๆสักครู่ก็ตกหนักจนมองแทบไม่เห็นทางที่ปัดน้ำฝนหน้ากระจกต้องทำงานอย่างหนักในหลอเปิดไฟหน้ารถพร้อมกับชะลอความเร็วลง ฝนตกถนนลื่นอย่างนี้ไม่ควรขับเร็วมิฉนั้นประวัติศาสตร์อาจซ้ำรอยเพราะเขายังจำเหตุการณ์เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนที่พาหลวงพี่ที่เคารพไปตกระกรรมลำบากด้วยกันท่านต้องนอนหนาวเหน็บอยู่ที่ก้นเหวลึกตลอดคืนอันยาวนานส่วนตัวเขาสลบสลายอยู่ริมทางเดชพุนที่ไม่ตกลงไปในเหว ถ้าตกก็เห็นจะต้องมอดม้ยมรณาชีวาวายแวบเป็นปราแปรปิ้งตามสำนวนที่ไม่สงวนลิขสิทธ์ของท่านสมภารวัดป่ามะม่วงที่รอดชีวิตเป็นผู้เป็นคนมีอาการครบ32ดังเดิมก็ต้องยกความดีให้หลวงพี่ซึ่งบัดนี้กลายมาเป็นหลวงพ่อเหตุที่ว่าอบรมจิต บำเพ็ญฌานมานานช้าจึงได้รอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์มิหนำซ้ำบารมีของท่านยังคุ้มครองตัวเขาให้รอดปลอดภัยอีกด้วยฝนตกหนักอยู่25ห้านาทีก็ซาเม็ดลงท่านพระครูถามขึ้นว่ากี่โมงแล้วอีกห้านาทีหกมงเย็นครับคนขับตอบหลังจากเหลือบดูนาฬิกาข้อมือแล้ว งั้นก็เร่งเครื่องหน่อยจะได้ถึงเร็วๆสมภารวัดป่ามาม่วงบอกเหลือเวลาอีกห้านาทีท่านก็จะได้ชดใช้กรรมอีกวาระหนึ่งนายหล่อเร่งเครื่องตามคำสั่งดีมากเอาล้นะข้าจะบอกอะไรเองสักอย่างท่านพูดเสียงค่อนข้างดังเพื่อแข่งกับเสียงเครื่องยนต์สาคัญหรือเปล่าครับเรื่องที่หลวงพ่อจะบอก ถ้าสำคัญก็บอกได้เลยแต่ถ้าไม่สำคัญหลวงพ่อเก็บไว้บอกตอนถึงวัดก็ได้บอกตอนนี้ผมกลัวว่าจะไม่มีสมาธิขับรถสามีแม่ประยงว่าจะว่าสำคัญก็ใช่หรือจะว่าไม่สำคัญก็ใช่อีกเหมือนกันแต่จะสำคัญหรือไม่สำคัญข้าก็ต้องบอกเองเดี๋ยวนี้แหละตั้งใจฟังให้ดี ถ้าจะเสียสมาธิในการขับรถก็ให้มันเสียไปข้าไม่ว่าหรอกนายหล่อฟังดูรู้สึกทำแม่งทแงจึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อพูดอะไรผมไม่เข้าใจเลยทำไมวันนี้หลวงพ่อพูดแปลกๆผมสังเกตตั้งแต่ตอนขามาแล้วเกิดอะไรขึ้นห่ะครับเดี๋ยวเองก็รู้ว่าจะเกิดอะไรแต่ก่อนอื่นเองต้องรับปากข้าก่อนนะว่า เองจะช่วยดูแลย่ามสีเขียวใบนี้ไว้ให้ดีที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรับปากกับข้าได้ไหมได้สิครับผมรู้ว่าหลวงพ่อหวงห่วงของของคนอื่นต้องการเก็บรักษาไว้ให้คนอื่นเอาเถอะผมไม่อิจฉาเขาหรอกเพราะหลวงพ่อบอกว่าเขาเป็นเจ้าของผมรับปากว่าจะเก็บไว้ให้เจ้าของทั้งอย่างที่ไม่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นใคร หลวงพ่อวางใจทะครับคนอย่างนายหลอ่อที่มีพ่อชื่อนายเหลาไม่เอาของคนอื่นแน่นอนคนเป็นสิทธิ์รับปากรับคำหากก็พร่หมพูดยืดยาวจนเกินความจำเป็นขณะนั้นเวลา17นาฬิกาตรงจักรยานคันหนึ่งพุ่งออกมาจากข้างทางเหมือนไม่รู้ว่าจะมีรถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วนายหล่อตกใจหักขวา หวังหลบจักรยานลืมคิดไปว่าหากมีรถสวนมาเขากับท่านพระครูเห็นจะต้องมอดม้วยมรณาแต่ถึงไม่มีรถสวนมารถของเขาก็เสียหลักพุ่งชนต้นมะขามเทศข้างทางรถพลิกคว่มไปสามตลบแล้วก็เกยอยู่บนกิ่งมะขามเทศเขารีบคว้าหญ้ามาคล้องไว้ก่อนที่สัมปัญญาจะดับวูบลงท่านพระครู ซึ่งนั่งอยู่ทางซ้ายคู่กับในหล่อรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นในลักษณะใดารู้แต่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำเวลา17อเนิกาตรงจึงได้แต่นั่งเตรียมตัวเตรียมใจรับผลของกรรมที่ทำไว้ในตอนเรียนมัธยมสามกระจกหน้ารถแตกท่านกระเด็นไปปะทะ ก, กับกิ่งมะขามเทศถูกน้าแทงตามเนื้อตามตัว เลือดไหลซิบๆิบจากนั้นก็กระดอดลงมาสลบสลายอยู่ริมถนนแล้วก็เหมือนมีกรรมบันดาลให้ผู้ที่ขับรถผ่านไปมามองไม่เห็นรถกระบะที่เกยกิ่งมะขามเทศอยู่ในสภาพที่บุบบิบบู ป, บปบี้มีชายคนหนึ่งสลบอยู่ข้างหลังโพมลัยสมณะรูปหนึ่งสลบสลายอยู่ริมถนนเมื่อสัมปชัญญะดับวูบลงท่านพระครูก็ได้พบโลกใหม่ที่ไร้ผู้คน มีแต่ความเว ง, ว, งว้างว่างเปล่าอยู่รายรอบประเดี๋ยวหนึ่งเต่าเล็กๆเจ็ดตัวก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกมันพากันหัวเราะเยาะหยันท่านสมน้ำหน้าต้องทรมานเสียให้เข็ดคราวหน้าคราวหลังจะได้ไม่สร้างกรรมทำเวรกับใครอีกหัวเราะเยาะเยอยแล้วยังพูดจาเยาะหยันอีกเข็ดแล้วจ้อาอัตมาไม่คิดก่อกรรมทำเข็นกับใครอีกแล้ว ตั้งแต่บวชมาเนี่ยยังไม่เคยสร้างกรรมสักครั้งเดียวมีแต่ใช้กรรมนี่อาตมาใช้กรรมพวกท่านแล้วนะหมดนี่หมดสินกันเสียทีท่านพูดกับเต่าเจ็ดตัวอย่างยัยังไม่หมดง่ายๆจะหมดง่ายๆได้ยังไงต้องใช้อีกใช้เมื่อไร่อีกล่ะขอใช้ตอนนี้เลยไม่ได้หรือ อาตมาอยากหมดเวรหมดกรรมเร็วๆท่านต่อรองจะรีบหมดเร็วๆไปทำไมละท่านใจเย็นๆยังไงยังไงก็ได้ชดใช้อีกแน่แต่เมื่อไรนั้นรอดูกันต่อไปพวกท่า น, นใจร้ายทำไมต้องแกล้งอาตมาด้วยแกล้งยังไงก็แกร้งให้รอน่ะสิน่าจะใช้ใช้สิให้หมดตอนนี้เลย ใช้หมดซะแล้วมันก็ไม่สนุกนะสีมันจะไม่สะสมกับที่ท่านทําไว้กับพวกเราอัตมาไม่ได้ทําอะไรมากแค่ต้มประเดี๋ยวเดียวพวกท่านก็สามารถขีดกันดิ้นจนหม้อแตกแล้วก็พากันหนีไปได้งั้นพวกเราก็ต้มท่านบ้างเอาไหมต้มแค่ประเดี๋ยวเดียวเจ้ากรรมในเวีย้อนย้อนได้เจ็บปวดนะัก อย่าเลยอาตมาตัวโตกว่าพวกท่านคงหาหมอลำบากแล้วนี่ลูกศิษย์อาตมาตายไหมคนที่นั่งงอกองอขิงอยู่ในรถน่ะพวกท่านไม่น่าทำเขาเลยท่านต่อว่าต่อขานก็เขาสหธรรมิกของท่านไม่ใช่หรือก็ต้องรับการร่วมกันนะซิแต่เขาจะไม่ถึงกับตายหรอกอย่าห่วงไปเลย พวกท่านไม่น่าใจร้ายอาตมาไม่ได้ทำให้ท่านตายแต่ทาไมมาลงโทษกันสาหั ส, สกันอย่างนี้ยังจะมาพูดอีกก็เพราะไม่ตายในทันทีนะสิถึงมีแรงอาฆาตพยาบาทท่านท่านรู้ไหมปกติเต่าหน่าเป็นสัตว์อายุยืนเป็นร้อยปีแต่ท่านทําให้พวกเราอายุสั้นท่านต้มพวกเรา ถึงแม้พวกเราจะไม่ตายแต่ก็บอบช้ำเรียกว่าช้ำนจะตายอย่างทรมานในอีก20ปีหลังจากนั้นพวกเราถึงได้อักคาดแ้นและคอยหาโอกาสเล่นงานท่านอ๋อนี่พวกท่านตายแล้วห ร, อหรือถ้าเช่นนั้นอาตมาก็ขอโทษและก็เสียใจที่ทำให้พวกท่านต้องตายอย่างทรมานตอนนั้นอาตมายังเด็กไม่ทันได้คิดหน้าคิดหลังให้ดีเสียก่อน คิดแต่ว่าจะได้เงินมาโดยวิธีใดอัตมาเสียใจจริงๆเอาเถอะพวกท่านจะลงโทษอัตมาสถานใดก็เชิญอัตมายอมรับโทษท่นานจะไม่ปฏิเสธทุกข้อหาดีแล้วงั้นฟังให้ดีเราจะให้ท่านสลบไปหนึ่งชั่วโมง และในหนึ่งชั่วโมงนี้จะไม่มีใครมาเห็นและมาช่วยจนกว่าท่านจะฟื้นขึ้นมาเองหลังจากนั้นจะมีคนมาพบและจะพาท่านส่งโรงพยาบาลท่านต้องไม่ไปโรงพยาบาลเข้าใจไหมดีจังเลยอาตมาก็เป็นโรคไม่ถูกกับโรงพยาบาลอยู่แล้วถึงพวกท่านจะบังคับให้ไปก็จะไม่ไปแล้วนี่ลูกศิษย์อาตมาต้องไปโรงพยาบาลไหม ท่านห้ามเขาด้วยหรือเปล่าห้ามทำไมละ่ะเดี๋ยวเมียเขาก็มาจัดการนำส่งโรงพยาบาลเองแหละท่านไม่ต้องห่วงเขาห่วงตัวเองดีกว่าท่านจะต้องเจ็บแผลไปอีกหนึ่งเดือนระหว่างนี้ห้ามพบปะกับใครให้ใช้เวลาทั้งหมดปฏิบัติธรรมอุทิศส่วนกุศลให้พวกเราและก็ให้เขียนชีวประวัติของท่านโดยละเอียดต่อไปข้างหน้าท่านจะมีชื่อเสียงไปทั่วโลก มีคนเข้าวัดท่านเป็นแสนแล้วท่านก็จะไม่มีเวลาเขียนเรื่องของตัวเองฉะนั้นต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนเนี่ยเขียนให้เสร็จเป็นคำสั่งจากเจ้ากรรมนายเวรแล้วเมียของลูกศิษย์จะโกรธอัตมาไมมที่พาผัวเข้ามาเจ็บตัวไม่โกรธหรอกเขาหลงรักท่านไม่ใช่หรือถ้าไม่มาบวชป่านี้เขาแต่งงานกับท่านไปแล้วแหม รู้สึกพวกท่านจะรู้เรื่องอาตมาดีเหลือเกินนะรู้ดีกว่าตัวอาตมาเองด้วยซ้ำบางเรื่องอาตมาลืมไปแล้วพวกท่านยังจำได้แบบนี้น่าให้รางวัลจับต้มอีกสักหนดีไหมท่านยาวได้เลยถ้าท่านคิดว่าที่ทำมาแล้วยังรับโทษท่านไม่พอแต่อย่าลืมนะถ้าท่านทำอีกจะต้องบาปเป็นสองเท่า เพราะท่านเป็นพระนอกจากจะโดนข้อหาปาณาติบาตแล้วยังต้องอาบัติาจิตตีอีกกระทงหนึ่งทีนี้ละสนุกแน่งั้นก็น่าลองนะเพราะอาตมาเป็นคนชอบสนุกพวกท่านก็คงชอบสนุกเช่นกันใช่ไหมละ่ะภิกษุวัยใกล้สี่สิบสแกล้งยั่วสงสัยชาติที่แล้วท่านคงเกิดเป็นคนยวนนะ ถึงได้พูดยวนเก่งนะักสงสัยชาติที่แล้วพวกท่านคงเกิดเป็นเต่ายวนเหมือนกันเพราะพูดยวนเก่งไม่แพ้อัตมาเลยคนยวนยวนเต่ายวนพอทีพอทีพวกเราขี้เกียจต่อล้อต่อเทียงกับท่านแล้วนี่ก็ครบชั่วโมงพอดีท่านยังไม่หมดนี่หรอกนะไว้วันหลังจะมาทวงอีกบ า, บาย ภาพเต่าเจ็กตัวหายวับไปท่านพระครูรู้สึกตัวพอดีรถเบนซ์คันหนึ่งมาจอดใกล้ๆที่เกิดเหตุคนขับลงมาจากรถมาดูผู้ได้รับบาดเจ็บนี่สมภารวัดป่ามะม่วงใช่ไหมทำไมถึงมานอนจำวัดอยู่ตรงนี้ล่ะครับเขาพูดด้วยความตกใจท่านพระครูจึงเลืมตาขึ้นเท่าแก่ลงสีบ้านหมีนั่นเอง โยมไปไหนมาหรือสมณะอุาสาทักทายคฤหัสจะเข้ากรุงเทพเห็นรถมาเกยกิ่งมะขามเทศเลยลงมาดูเผื่อจะเป็นคนที่รู้จักท่านไปไหนมาเหรอครับแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาถามพรางนั่งลงใกล้ๆท่านไปเยี่ยมคขายโยมเข้ามาถนนมันลื่นรถเลยเสียหลัก คนขับเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ท่านพยายามลุกขึ้นยืนแล้วส่งเสียงเรียกลูกศิษย์หล่อเอ้ยเป็นยังไงบ้างนายหลอรู้สึกตัวพอลืมตาก็นึกถึงย่ามรีบถามท่านว่าหลวงพ่อครับย่ามละ่ะย่ามความห่วงของทำให้ลืมความเจ็บปวดที่ได้รับนั่นสิ งั้นก็ลงมาช่วยกันหารเร็วๆ เ, เข้าท่านนึกไปถึงพระสมเด็จกับลูกประคำกลัวว่าจะหายขณะนั้นรถที่ผ่านไปมาต่างจอดดูเหตุการณ์ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีรถคันใดยหยุดท่านพระครูกับนายหลอดช่วยกันหาย่ามท่าทางมางุ ม, มังาลาดูเป็นที่ขบขันแก่ผู้คนที่พบเห็น คนในรถพากันลงมามงดูสตรีผู้หนึ่งทนเก็บความสงสัยไว้ไม่ได้จึงถามขึ้นว่าท่านกำลังหาอะไรอยู่ล่ะคะหาย่ามใจโยมย่ามสีเขียวตับเป็ดไม่รู้กระเด็นไปทางไหนโยมช่วยหาหน่อยสินายหล่อรีบเสริมว่าช่วยท่านหาหน่อยเถอะครับในนั้นมีของสำคัญที่ตั้นต้องรักษาไว้ให้เจ้าของเขา ย่ามมีกี่ใบล่ะคะท่านพระครูชิงตอบว่าใบาเดียวใจโยมย่ามของอาตมาส่วนลูกศิษย์ไม่มีย่ามใช่ใบที่ห้อยคอลูกศิษย์ท่านไหมครับเท่าแก่ลงสีบ้านมีชี้ไปที่ย่ามห้อยคอในหล่ออยู่อ้าวห้อยคอเองอยู่นั่นไงโถ่ทั้งเอ้ยหลงหากันตั้งนาน ท่านพระครูพูดอย่างโล่งใจจากนั้นเท่าแก่จึงอาสาพาท่านกับลูกศิษย์ไปส่งวัดป่ามะม่วงส่วนรถในล่อต้องทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยให้ช่างมาจัดการเอาไปซ่อมคงต้องเสียเงินตามเคยมีคนไปส่งข่าวแม่ประยง หล่อนรีบเหมารถมารับสามีไปส่งโรงพยาบาลแต่ไม่สามารถพูดให้ท่านพระครูไปโรงพยาบาลได้เมื่อทุกคนไปกันหมดแล้วท่านเจนขึ้นไปยังกุฏิชั้นบนสั่งให้เด็กชายขาวกับเด็กชายแดงหายามาทาเอาทิงเจอนะครับหลวงพ่อแผลสดต้องใช้ทิงเจอเด็กชายขาวพูดยาเลย ข้าไม่อยากแสบซ้ำสองแค่หนามมะขามเทศก็แสบจะแย่อยู่แล้วใช้ยาแดงดีกว่าเด็กชายแดงจึงไปหยิบขวดยาแดงจากตู้ยาชั้นล่างมาเปิดฝาออกใช้สำลีชุบยาแดงแล้วทาให้ท่านเนื่องจากบาดแผลมีหลายแห่งหน้าตาเนื้อตัวท่านจึงแดงเถือกไปด้วยเลือดผสมยาแดง เด็กชายฝาแฟดถึงกับหัวเราะงอกริ่งงอหายเมื่อเห็นหลวงพ่อในสภาพเช่นนั้นเองสองคนหัวเราะอะไรกรันหรือว่าหัวเราะเยาะข้าถามเสียงดุเปล่าครับผมขำคำที่หน้าหลวงพ่อแดงยังกับพระเอกลิเกเด็กชายแดงตอบพลางกลั้นหัวเราะแล้วไป เหมือนพระเอกข้อยยังชั่วหน่อยถ้าบอกว่าเหมือนตัวโกงละก็พวกเองถูกเคี่ยนแน่สมภารวัดป่ามะม่วงอุตสาามีอารมณ์ขันทั้งที่รู้สึกปวดแสบปวดร้อนทั่วสารพาง